พระธรรมเทศนาแผ่นที่91าดลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านานคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่29มีนาคม 2,559 นมีชื่อเรื่องว่าปัจจัยแบ่งซ้ายแบ่งขวาอาลูกหลานอยู่ในความสงบ หลวงพอ่อออกไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่หลกหลานโยมลั่นนำโสมเพิ่นเอารถเอาไปหเอารถมาให้ใส่หลวงพออาา่อห้อยรถกินน้ำมันไหมใม้รถมันามามต้องเอาน้ำมันให้พ้อมนะ่เ <c oughs> พิ่นแล้วให้น้ำมันรถโอ้น้ำมันรถเพิ่นนี่ แลนออก อ, อมโลกจกักรว่านกลินน้ำมันน่อยมากเลยวะ่ะกินน้ำมันสองพันกว่าบาทหนึง่งแลนไปหอดีโส่คนนะ่ะเว่นไปว่นมาจนพอแห้งมาหาถามน้ํามันกินน้ำมันหลายปอนดะ์สองพันโอ้รถคันนี้กินน้ํามันประหยัดอีกตัวนี้วะอรถไม่รถเอาพาดเคน <c oughs> โอ้นางสบายนางนิ่มดีไปต่า ง, งหลายมือเลย หลวงพ่อไปตั้งแต่วันที่24ลูกหลานหลวงพอ่อจะเลี่ยงนำรับให้ฟังวันที่24ออกจากวัดประมาณเก10สกาดนั่นแหละิกนาฬิกากว่าวันที่24พอไปถึงแนละ้วก็ไปไ ป, ไปชุ่มอยู่อุดรโรงพยาบาลศูนย์อุดรโรงพยาบาลประจำจังหวัดมุ่นนิธิ พระอาจารย์อินทายสันตุสโกดูแลสองฆ์อาพาธโรงพยาบาลศูนอุดรไปสุ่มโอ้เมื่อนั้นขาดท่สองคนวอติบมาร์สิบหาคนนะเกือบครบประชุมกันก็ได้เหลืองได้เล่าออดูแลพระสงฆ์จังใดเห็ุจังใดนัน่นก็ พอไปชุ่มแล้วพุ่นอะอะไรไปเบิง้งเขาก็ไปเอ็กซลเล่ยหลวงพ่ออีกเขาไปตรวจเบิ้งว่ามันเหนี่ยวทิวาเนี่ยนะมันมีบอไปเอ็กซลเล่ยเบิง้งกระบอกบอมีอย่างนะบอมีอย่างปลอดภัยพอแล้วก็เล่ ผักยวพุนทำไมผักยวดร่วมทากับท่านรัตนะพอแต่ออกตั้งแต่ตีหากว่าๆไปขอนแกน่นพระติดตามหลวงพ่อไปสมองค์ท่านรัตนะอีกสององค์เป็นหองค์ไปก็ไปฉันยูบันคุณผัดพอออกไปแต่เศร้าเพื่อจะได้ไปดูดเลือดตรวจเลือด พอไปหอดพุ่นก็เกือบแปดโมงเจ็ดโมงกว่าๆทั้งโรงพยาบาลศีนเะขาเนเขาก็เตรียมพร้อมคุณหมอผนอาจารย์หมอผลมา ก, กดูดเอาเลือดไปตรวจแล้วก็มีทั้งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นผลเ้เามาามีดาสนทนาปารลบเรื่อง การเื่องงานเรื่องโร่งพยาบาลของเปินคุยกันหลายแนวอยู่ฉนั้นก็ฉันยังหันยูหันเพราะฉันยังหันแล้วมาโล่งพยาบาลสีนักลิศมาตรวจมาเอ็กซเรย์อีกรดรยาพวกหักเโลงพยาบาลเอ็กซเรย์อุดรเอ็กซเรย์เมื่อขอนแก่นอันไหนจะแน่ว้กันเพราะเพราะโร่งพยาบาลน่า ย, ยุ่ง ทสายเอ็กเซลเลทายเอ็กซลเลเบิ้งหลังมันมีหนิวในในไตของลงพอรอประมาณสองเส้นหนิวใหญ่ก่อนใหญ่แต่เอเขาเขาเหลือมอเมาเลยวนอไปม า, าทายเบงลังมันมเมนมันอาจจะเป็นกระดูกมันอาจจะทายเฉลียงไปข้างนึงมันอาจจะแสงกระดูกอาจจะไปเข่าไปจุดนั้นตั้งอุนรร่นตาเศร้าพร้อมทั้ง เอกซาไล่ผมก็บำมีอีกคนขนแกน่นแต่ก็ตรวจเลือดอีกเขาว่าเลือดลงพอนะ่ยปกติทุกอย่างตั้งแต่เกสรลายทั้งขอดและสลอนบำมีปัญหาตึกตับเรื่องไตเรื่องอะไย่างเรื่องโรคเก่าโรคเบาหวานปกติมัดตรวจดูขอนแ ก, นกน่นจะน่าเข้าไปชุ่มไปชุ่ม โรงพยาบาลมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นโูริทัตโตเคณะเขาประชุมพร้อมหนากันปีในี้ใส่เงินหลายกว่าปีที่แล้วปีในี้ใส่เงินสามล้านแปดแสนกว่าบ่เงินมูลนิธินแต่ได้กำไรมากได้กำไรปีนี้เท่าไรสิบห้าล้านบ่ก็เพิ่มกันจะได้ <c oughs> ได้กำไรมากเพิ่มเติมขึ้นมา กรู้สึกว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์เขามารับบริการมาอยู่หันโอ้หลายปีเนี่มาคุ้มค่านะตีไปเข้าพวกเข้าไปสางไปตึกดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์คุ้มค่ า, าไปได้แค่แปีปีนี้เนี่ยครบครบหลอบ8ดปีหลวงพอ่อเมื่อ4ีปีที่แล้วหลวงพ่อกล้าด้ย บอกเอออาตามาหลวงพ่อขอล่าเนอะมุนิธิให้ผู้อื่นเป็นซะเพราะว่าอาตามาเป็นเป็นเพียงขัดตาทับซึ่ ง, งเป็นประธานขัดตาทับก็มันโบมีผู้เป็นกันผู้มากขามากจะมาหาเงินโหลดแต่หลวงพ่อห่วงอยู่แล้วว่าเงินมีเท่าไหรหลวงพ่อจึงเขามากได้ขนได อ, อ, อีสักสีปีแล้วก็ยังคอยว่ากันเนอะ ก, กันแต่ธารมะเป็ี่ยนธรรมา ก, กันเย็นดีเปวกเขาก็เลยกยกให้หลวงพอ่อหลวงพ่อเป็นผู้สั่งตึกเดอำนวยการสั่งตึกหาเงินมาสั่งตึกได้เมื่เกือบสิบพันล้านทั้งอุปกรณ์พร้พอมทั้งตกแต่งพร้อมบางการเงินปัจจัยก็ยังเหลืออยู่หลวงพ่อก็ได้ตั้งเป็นมูลนิธิแต่ก่อนนา น, นี้ก็มีอยู่มูลนิธิหลวงปู่เทศเทศรังสี หลวงพอ่อของหลวงปู่เทศเพิ่นกับเป็นกลุ่มสาขาหนึ่งท้าว่าตัางว่ามูนิธิหลวงปู่มันเนจะควบคุมมัดทุกสายพอเพิ่นเป็นตระกูลเป็นพ่อแม่คู่บ่าจาย์ของคู่บ่าจาย์ทุกองค์แต่หลวงปู่เทศแมนยุวเป็นพระผู้ใหญ่แต่ท้าวฤทธิ์ได้หลวงปู่มันท้าหลวงปู่เทศก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับพี่ชายใหญ่ปีชายใหญ่โมแต่ท้าวา เอาหลวงปู่มันเอาซื้อหลวงปู่มันมากเ่ยคือเอาพอเอาซื้อพอมากขวบคุม่มก็จะได้ลูกทุกคนอีกทีหนึ่ดีบิดีกว่าบอ่อก็เลยปรึกษากันก็เลยตกลงกันก็เลยเอาซื้อพอมากทไเอาซื้อพอมาเนี่ยมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็ประธานคือหลวงพ่อเป็นประธาน ดูแลสื่อมูลนิธิหลวงปูมันพ่อซีปีหลวงพอกล่าเขาผกะกรรมการโอ้ยกำลังมัน ก, ล, กลังที่เดินไน่หลวงพ่อกำลังที่ตั้งใครขอหลวงพ่อเป็นตออีกเท่น่ออเอาหลวงพ่อก็เห็นว่าก็เกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์พวอว่าจะตุปัจจัยหลวงพ่อกับนันมีการทอดผ่าป้ า, ปาแต่ละเทือนี่ก็ เป็นไปได้พ่อมม่ในครบปีนี่ปดปีปีนี้้นคือสปีเนี่เขาจะให้เปลี่ยนเขาจะให้เลือกประธานข้างหนึ่งกรรมการข้างหนึ่งนะผู SU, ้ใดซีอูผู้ใดซไปแต่หลวงพอ่อเสนออีกปีเนีหลวงพ่อหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบอ็ดปีแได้ลูกล้านเ่าแกสล่าหลวงพ่อขอล่าแน่อ่าวว่าหลวงพ่อก็กลัวขึ้นกัน นว่าเ่าแกจะล่าไปการดูแลขวบขวบคุม่มดูแเลเรื่องมูลนิธิคา้าใจใจยัยังมันอาจจะขาดตัวบกพก่องเฮาอาจจะขาดตัวบกป่องโปรตีเกียวของกะ อ, อาจจะขาดตัวบุกพ่องเดี๋ยวเขจะว่าสืบหนาสืบหลังสืบเข้ายา่ำเถาเป็นโมเมนต์แน่เดีเ๋ยวเฮาของงงกันงันอีกต่นี่ลืมหนาลงหลังอีกเฮาขอล่าละปีนี่ปะ ลาออกจากประธานมูลนิธิหอพิบาลส่งบาดแล้วเขาก็เสนอขึ้นมาอีกโอ้ยหลวงพอ่อทึ่อย่างไกงก็ให้ฮลุ่มพ่อเฮ็ดหยั่งดอกเฮลุ่มพ่อเป็นประมุกประธานพวกเข้าที่จัดการแท่นมือมัดไว้หลวงพ่อเดือดร้อนอย่างไัก็ขอยหลวงพ่ออยู่เพราะว่าคำว่าหลวงพ่อบระยูนนี่กิการบริหารถึงการลังไหลเข้ามาของจตุปัจจัยก็คงจะ ยังคิดบอออกบดบอกบดถือขึ้นกันต่อไปในอนาคตแต่อันนี้มันกลาบลื่นมาโดยตลอดเด็กก็ขอให้หลวงพอ่อยู่ต่อไปอีกเท่านีี่ปีหลงพ่ออ้อาวขันวาพวกเข้าทั้งหลายทั้งปวงคณะกรรมการทั้งมัดเนี่ยบอสางปัญหาบอกอปัญหาบอทำให้หนุ่งยากให้ดําเนินมาอย่างที่ดําเนินมาเนี่ยนะ เข้าหมดมาส่อแสวงหาเงินหาทองออหาหล่ําหารวยกับมู่นนิธิอะนี่ไอ้ซอยกันเพื่อสางบุญสางกุศลบอเนี่เป็นบอกบอกุศลบอกกุศลกันว่าพวกเข้าทั้งหลายเนมีความผอมเพี้ยงกันสมักขี่กันมีแต่ความมีความมุ่งมันแบบเดียวกันเพื่อเพื่อสางบุญกุศลบ อ, อสางปัญหาเน่ยหลวงพ่อกับชิยุยุได้ยุ การว่าพวกเข้าสีสางปัญหากับมีปัญหาหลวงพ่อหนูขอย่อมแผ่นะบ่อเอาเลยเนี่ยพรหลวงพ่อบวชมากชีวิตทั้งชีวิตนี่บวชมากอุทิศพระพุทธศาสนาบ่ได้มาเผื่อหวังหล่ำหวังรวยบ่ได้มาว่าบวชกามากเลยะจะีกอบกล้วยให้เป็นเศษทิ้งกับเงินกับทองบ่มีในจิตในใจของหลวงพ่อเนี่ยมงแต่สิ่งใดจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชทตาญาติโยมวงการคณะสงฆ์ ลุงพ่อก็มองจุดนั้นเท่านั้นแหละกันว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นผองต้องกันว่ามีผลได้คัดกานคือเอาลุงพ่อก็มองคือกันเห็นต่อคณะสงฆ์กู้บาอาจารย์เอาเป็นต่อก็เป็นต่อแต่ญาสางปัญหาให้เกิดปัญหากับขืนมาได้ลุงพ่อในญานิหลายญาติปัญหาถูกรันคณะจัดทายญาติโยมเขาก็รับว่าเออเอ า, เอาจะพร้อมกันดูแลให้ดีที่สุด บ่อยมีปัญหาเออเอาหลวงพอก็ได้อยู่ต่อไปอีกลูกหลานเด้สี่สามกับสิบสองล่ะขันบมตายก่อนมันไปเนี่ยมูนทิธนะ <c oughs> ถ้าก็นัดกันว่าเป็นวันที่4ีที่หาเนี่ยจะมีการถอดผาัปลาเพื่อสมทบทุนเข้ามาอีกเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธอันนี้ก็คงจะมีหนังสือออกมาตามวัดต่างๆนั่ น, นพระสงฆ์ทั้งหลายกันเข้าไป เข้าไปบบมเณที่เข้าไปะซือ้อให่ย่ำอยู่ดีมีแห้งเจ้าอาวาดกูบายจานทั้งหลายผู้เกี่ยวของกันนายจะนั่นยืนสมสมทบทุนเข้าไปบงังเพื่อให้เป็นกองทุนขึ้นมาดูแลพะระสงฆ์อาพาธแต่หลวงพ่อไม่แด่สมทบหลวง พ, อพ่อบ่เคยนั่นแต่กลไปตรวจยังที่วานมีบงังแต่บเ่เคยไปนอน ที่อย่งในหลวงพ่อก็ปรารถนาในจิตในใจยังที่เคยเว่ให้พวก ล, วกลูกหลานได้ฟังน ะ, นะอย่าให้พวกข่าไปนอนโร้งพยาบาลเน้อโดยอเนิสงสินอเนิสง์ท่านอนิสง์จัดการดูแลกูบาอาจารย์พระสงฆ์เครื่องใหม่เครื่องมือสัท่ายาดโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะงพ่อก็ตั้งความปรารถนาจังสั น, น <c oughs> จากนั้นก็พ่อประชุมแล้วหามงมาได้ป่ะน ประชุมตั้งแต่ายสองจอนหดหามงก์ไก่คำแลนออกจากค้อนแกนกับพ่อแจ้งเหรอ่ววะพ่อไปหน่อยหนึ่งก็เมิดแล้ววะแลนตเตริดเปิดเปิงตลังเปิงเปิดพุ่ะไปหอดนี่คมขําสอยพ่อไปหอดนี่คมค้ามสอยลูกงานคูบาหวังฝังลูกนี่เม็ดปักหลักเขตวิสูงข้ามซีมาโอจัดงานบักไงบักโตนี่คูบาเสอร์ของสุเจ้านะ กูหมายฉลาดเนี่ยกูหมาเฉลิมพ่อไปหอดเอ้าเอาจังไรที่นี่วะหลวงพ่อก็เลยดึกนิมนต์เขานิมนต์ขึ้นไปเออขึ้นไปสงนามเสร็จเรียบร้อยก็เอานิมนต์หลวงพ่อแสดงถ้ำพนตายเฮ้ามาเมปเยปรเด๋ยังขึ้นแสดงถ้ำอีกตอนนึงวันไปเออขึ้นไปก็ได้ไปแสดงถ้ำไปเทศอีกโซจิเลือกกัดกันใดวุ่นแล้วหาซีหาถุ่ ม, มนะมือไง เอยเงยมือเศร้ากันโอ้คนใส่บาททททอทอลวงหลายทีเดียวเลยคุบาเสรอของสุเจ้มันเป็นธรรมดาคือกันเนีเออพอจากนันมากก็ได้ผักพรวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบกเย็นอีกบาดนี่ยงานของคุณแม่ชี้แก้วด้วยบาทเนี่ยหลวงพ่อเขาไปงานของคุณแม่อีกโสดม่นเย็น โอ้อันนั้นกับพี่นอ้องผู้ชาชั่นกับท้อๆๆๆๆลายอีกกับเต็มบัดคือกันโลงท่านกับมากไหมตั้งแม่ชีกับโอ้ลายเออแต่หลวงพอบอกว่าสิพวกในครัวเดี๋ยไปคือจะบน่บนบ่นหลวงพอ่อฟังหลวงพอบอกคือจะบน่นแม่หลวงพ่อขี่โม่มันแต่หลวงพ่อจะอยุ่งทังหนาจะลายทั้งหนาครับหัวแต่ว่าเวิร์กลายเหลือยลลเข้าไปกันแน่น ه, พอสวดมนต์นก็นิมนต์เทศอีกกวานาะพอเทอนะอเ็ีกกวนเราไปหลวงพ่อน่ยโอ้ไกลไกลเสียงดีเดียวเนาะไปใส่พิธีจะเขาจับขันวนเะรไปขันออกออกเยตลอดเนาะพอไปเทศอยู่วัดไม่ชี่เนี่โอ้คนก็ฟังดีเลยคนเงียบนะพอเนี่ยมืเอเศ้ามาอีกไปอีกไปบินทบาทโอ้โหตาาตาคนใส่บาทปีมากกว่าปีที่แล้วนีว่อนะีกคนเาะ อคนมาจฉพาะหลายกระดึเนี่ยฉันจะหันแล้วแล้วก็เออเอาแล้วแล้ววะทุกอย่างแล้วเป็นทางใดคณะกรรมการขาดทุนกําไรอย่งไรเบิง้งหน้าต่อยกันเบื้องหน้าแต่หลวงพ่อก็เลยถวายปัจจัยไปเอแสนหนึ่งนะแต่พอถวายของกูบาฉลาดเือกูบาฉลาดว่าหายหลายแอ้ววะ มันให้หลายมันใสหลายหลวงพ่อให้ถวายไปสองหมื่นวันไปวัดกุญชรฉลาดนะออแต่หลวงพ่อไปใส่หลวงพอ่อหายได้ทุกหลานนะเอไปเบิงเบิงแล้วหายเพิ่นเขาต่อยปัจจัยมากหลวง พ, อองพอ่อก็ประหลดอกใหายคลื่นมันมัดมันไปเหลือหลวงพ่อยังแถมมาอีกวันไปพอวัดกุญแมาชี้แก้วเนี่ยถามว่าเป็นอะไรวะถวายผ่าโอ้ผ่าหลายครับหลวงพอ่อยังขาดกันมันขา ด, ขาดสักแสนหนึ่งเด้เหรอท่นเด็เงิ น, นมย 200, มันเดี๋ยวนี้เตรียมมายุตสองแสนมา อยานจ่ายไปทั้งสามแสนวันละมือเนเดียวสินอเอาอนุมัติเอาก็ได้ถวายไปอีกแสนหนึ่งวันถวายงานของของคุณแม่อาบานนั้นแล้วพอออกติดมาไล่งานเหมือนเช้าวะเงินสามแสนยังเหลืออยู่6กยังเหลืออยู่หกคลอยลงพอสินพอโทรเออโมเมนต์ธรรมดาตัวนี้ไงวะเอาเ็าเลยบอกว่าต่อไปนี่นะเฮ้าแกเท่าชลาไปใน ยายมันถึงสามแสนะให้ใจสองแสนก็พ่อละสเจ้ริอให้รดตดลงอผูกที่มาพามาเนี่ยอย่าไปคิดว่ามาเอาเอาก็ไปเอาก้าคุ้นแม่คุณแม่ก็ตายเลยเดี๋ยวจะมาเอาก็ลุงพอ่อมึงบุญใหญ่ได้ลุงพ่อก็เถ่าไปหนาออพวกเข้าต้องผู้ใดมาต้องเสียสลระไม่คอยแม็นสมพา่านแถวๆนี้ เวลาจะมาจัดงานคุณแม่ต้องมาโล่งขันกันมันจึงจะถือโมเมนติมาเอาได้ว่าขั้นโปรไดมากคิดมาเอามันบได้มันพิษนะมันต้องคิดมาลงขันอมาลงขันช่วยกันเพราะคุณแม่บูชาพราะคุณคุณแม่มันจึงจะถูกโมเมนต์ที่คืนมาเกอกมาโกลยมาเอากับเอากับไผ่เลยวะขั้นอยากให้หลวงพ่อห้ยหลายกับพวกเข้าทั้งหลายกับคนมาให้หลวงพ่อแม่ว่าคนละหลานละหลานหลวงพ่อก็จะให้คนละซีหแสน จากนวนที่เหลือก็หลวงพ่อก็จะเก็บไว้ตัวเม น, มนบอลล่ะอันนี้จะมาเอากองหลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็บุ่มีสันแนวเสียหาแล้วหลวงพ่อก็จดย์อยู่เขี้ยก น, น่ะนะห <c oughs> ลวงพ่อก็จัดการเออเอาบัางบังเนาะกันเป็นหนี้เป็นสินอย่างไรก็บอกเขาเนะหลวงพ่อกัยออกแขงกับไปบ้างน่อโรงเรียนบ้านน้องสูงเขาก็นิมอนต์เอกบ้านเองโรงเรียนน้องสูงออย่างสามัคคีวิทยา หลวงพ่อเขาไปสั่งอาค่ารขึ้นหม่อเด็กหน่อยรงเรียนว่ามีหม่องกินเขา่าฉันเวลาฝนตกลกเรียนนักเรียนเขาเป็นพันลงไปว่ามีหม่องเลียนหม่องว่มี่หม่องกินเขา่าหลวงพอ่อลงไปจักจีไปกินเข่าใส่ฝนตกเนีย่ยฝนตกน่ยมันลําบากหลายเอยเขาก็เลยบอกมีทุ่นยุปประม่าณสองลานกว่าแต่ยังขาดยุบพมา่านานหาหลวงพอ่อเออ หลวงพ่อรับล่านาไอ้เนี่เขาก็เลยสางขึ้นมาแะมุ่งหลังค่าแหละแต่ยังก่อฝาผนังกับเทพพืนพืนเขาเทพแล้วแหละแต่ยังบูกระเบืองบังแต่เขามาของดไปแล้วงดหนึ่งละหลวงพ่อให้ไป 8, แปดแสนแหละโกนให้ 8, แปดแสนหลวลงเีย น, บ, น, นบันน้องสูงบัตนี้ก็ยังยังยังเหลือหลายปันไดเขาเขา อ, อ, อ, อ, อ, อ, อุอุเขาเขายังขออีกได้หันออกไป ยังขาดที่0กแสนอ้ยแจ่มนวนที่เหลือเห้าพอไหแ้แว่เข้าจะให้อีกห0แสนเข้ารับปากฟังล้านหาได้วะล้านหาให้ล้าแปดแสนกระนับนพนุพวกสุเจา้าวันเฮี้นติตัวเลขวะอะเข้ า, า, <c oughs> าหายไปแปดแสนก็นยังเหลืออยู่หกแสนแมนบมดละวะแต่หก0สนเขาจะให้ไนดะ้อีกสุเจา้าว่ามันยังขา ด, ดอีกแสนทุเจา้าหายเองก็แล้วกันสมนวลไปไปยมัน พอนั่นกัหลงพอก็เลยลงไปกาบคารวะลงปูปุ่นมีบัณนะยะโสทอนบันฑนะพอลงปูปุ่มีพนอยู่บัณฑ น, นคนเขาบัณฑผือเฮานี่เดบัก่อนจะขอพรรษาพนก็เลยไปจำพรรษาอยู่ไกลๆบ้านพัน <c oughs> ทางจังหวัดยะโสทรบัณลงปูปุ่มีุ่่นคนยะโสทอนนะแถวบัณห น, นองแสงบันัน่นแหละใกล้ๆเมืองยะโสนนะั่น อสีฐานกระจายแถวนั้นหลวงพ่อก็เลยไปพูมันไปสางวัดใหม่เอกําแพงหล่อมหลอบเบิร์กับกาลังสางโบดไอสางเจดีขึ้นมาอีกแล้วก็สางสิมน้าขึ้นมาอีกนะมีสีน้ำนะขุดสาบักไยหรืมีสิีน้าขึ้นมาอีกเฮาก็เลยเตรียมเตรียมปัจจัยไวจากวัดนี่แหละได้ยินข่าวว่าเป็นสีสาง JD, เจดีเฮาก็นั้จะไปร่วม รวมสมทบน้าเพลินน่ะวะลุงพอเพราะเจดีของหลวงปู่ลี่ลุงพอก็ไปถวายเพลินต่างกล่าตางว่าหลักปลาเขาไปเกือบสามันสามหลานนะมัถวายหลวงปู่ลี่นะเจดีย์พระแดงนะลวงบ่เมือนลุงพอบ่รวมเลยต่ละหาแสนหกแสนสี่แสนคงมีอยู่รายการแต่ข้าวเนี่ยหลวงปู่บุญมีสั่ง พีใหญ่สากเข่าก็ขุนเดือหลวงพ่อเป็นน้องๆก็ขุนเดือไปร่วมสมทบก็เลยเตรียมเตรียมปัจจัยไปจากวัดเท่านี่แหละเบิกปัปจจัยของวัดอที่ได้มากเงินกระถงกระถินพาป้าเองเะรียมมันนั่นนะได้จะออกไปไปฮอดก็เลยถามเพิ่นเมืองก่อนแ้่ก่อนจะให้หลวงพ่อถามเพื่นเมืองกูญแจนเป็ น, นอะไรเขาน่อย เรื่องสร้างเจดีเลยมีเจ้าผากไงบอกันมีเจา้ามีเจ้าผากไงเป็นลักเอบมมีเดือดร้อนโตขอน้อยเรื่องปัจจุปัจจัยผลกับก็ะมบกระมั บ, มบกรมกกมับามบาแลไปมีตรงมีลามแปรอีกเอยลามต้องแปรหน้าลามเลยต้องเบิ้งจ้อ ง, องเบิ้งปากพร้อมมาแลไปหูฟังพร้อมจ้องเบิ้งปากพร้อมมาแล้ไปเก่งจริตลามแปรเท่าบะมูจักโตขอน้อป คาเป็นลามแปลพิษลามแปลถือก็บูจาเข้าเสื่อลามเราหน่อยไปลามก็บอกว่าก็พ่อเป็นไปได้ยุแต่กบฏเดือดร้อนก็บฏมีเจ้าภาพกบฏมีเจ้าภาพไงก็จะตุปปัจจัยกับพ่อพ่อเป็นไปได้เราแสดงบอกบนม่นกระ้องอาศัยศรัทธาหยาดโยมตัวเนี่ยวะแล้วในม่อนคุบาอาจารย์กับ บ้านนักคูณนหนึง่งับบ้านเก่าเปี้ยงวงที่ได้สางมาแล้วก right. like ุญชยนสางนี่แหละก็กลับผโต้นอกเขาน่อยมาท่านกุมบ๊บบอบบอบบอบเพิ่หวังอยู่ใสก็คือเก่านั่นละเพิ่กวางสันเดาสันไปผู้แปรเพิ่งวานอไปเท่าแสดงว่าเพิ่งเพิ่งกบฏอไรเอ่ยออกไปก็อยู่ไปเรื่อยๆก็เพิ่งกบ้ว่าปฏิเสธแล้วว่าเพิ่ไวซสิกัปมาแล้วเทาก็เลย เท่าที่ตั้งใจมากทถวายเพลนก็แสดงว่าปัจจัยจะต่างของเพลนนี่ยอบอมมีบอมีแบกหลังมันออไปก็เป็นปัจจัยของพี่น้องประชาชนเฮาก็ถามว่างบหลายปันไรเจดีเนี่ประมาณยี่สบล้านาก่อแต่ละเดือนก็จ่ายไปประมาณกะว่าประมาณเดือนละส อ, สองละสล้าน ค่าใช้จ่ายประมาณนี้แหะบางเดือนก็มากบางเดือนก็ น, กอ น, ก น, น้อยแต่บ่อตำแต่วมากก็ว่าเกินสองล้านแต่บางเดือนอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยหลวงพ่อก็เลยเขียนเป็นใส่หลังกระดาษแล้วปัจจัยได้หันก็ได้ถวายปัญหาแสนนูกหลานนะพวกเขาอนุโมทนาเนะื้อสางเจดียหลวงปู่บนมีเนะื้อ หาแสนบาทแล้วก็มีผู้สมทบที่ไปน้าหลวงพออ่ออีกพวกเสียต้อมพวกคนนั้นละไปหลายคนรวมสมทบไปอีกได้สีมื่นแต่หลวงพ่อจับมืบิดนะสี่มื่นสี่พันเจ็ดรอยเจดสิบบาทนะเป็นอันว า, วามือนอนั่นในถวายรวมสมทบกระถินเผือนวัดเท่าร่วมสมทบกับคณะชาตท่ายาดโน้ม หาแสนสี่มื่นสี่พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบบาทนะถวายองหลวงปู่เพื่อร่วมสางกีดียของเพ่นาจากนั้นก็นแล้วแล้วก็กาบมาสบันะกับมาก็ับมาผักอยู่ในคมคําซอยวันที่ยนะี่สิบเจ็ดวันที่ยนะี่สิบแปดเช้ามาฉันมาอยู่นี่เลยมาอำเภอค่ำเฉออีบบนะันเขาเปิด เปิดอาคารห้องอาคารฉกเฉินหลังใหญ่ได้เขาตั้งชื่อว่าอาคารหลวงปู่จามมหาปุญโกผู้มากผู้มากล้นด้วยบุญอะไรขนะนะ้นแเขาแปลไว้เอาเขาเลยไปฉันนะโอ้ชนะคณะหมอคณะพยาบาลคณะพี่น้องจัทถายาดโน่มนุกหลานหลายอีกขึ้นกันนะหลายมากทีเดียวเลย เ อ, อก็ไปสวดมนต์ฉันเสาสวดมนต์อยู่หัน อ, อพอสวดมนต์แล้วก็นห <c oughs> ลวงพ่อก็ได้ถามกับขอออกกันขาดเหลื อ, อยังแไงเขาตฉพาะเขามาดีเขาอขอเป็นไรเพาาาราะปัหญป ห, งวงหวออาวบาไปนึอว่าไปขออะไรกาดหลวงพ่อก็ทำท่าหูตึกมันแล้ได้ยิ้นมันแล้ไปหูหนวกมันแล้ไปเขาบอกอย่งนี้เกิดใช่พ่อไปเห็นโอ้เออ ตึกหลังหมักใหญ่บนทันมี่อย่างหลวงจงหลวงจังปางย้อนไปอแล้วก็ถามว่ามีอย่างไหนเตียงเออเตียงเน่ยพ่อมีอยู่ว่าสันเตียงเอแต่ว่ากระเกาไปแล้วล่ะขยังพอใช้ได้อยู่เตียงยังพ่อชัอยู่แต่เครื่องเอ็กเซลเลยอยากได้เครื่องเอ็กเซเลยเนีเครื่องเนี่ยออนไลน์เดียวแต่ว่านี่เรื่องเครื่องทําฟันของทําฟันพี่น้องไปใช้ชนเน่ยก่อน มีหมออยู่3าสีคนมีเครื่องอยู่สองเครื่องนี่ยก็มีปัญหาอยู่นะเอาเลยอืมหน้าจะให้เครื่องทำฟันว่ะเฮ้าเขาบอกเออเอ า, เอาพ่อตอนชั้นจัง่ะพ่อให้พ่อนะีเอาก็เลยเออเอ า, เอาพี่น้องหลวงพอ่อไปใสหลวงพอ่อเนั่ย น, นะกระบอเคยที่จะียกว่ า, าปฏิ เ, เสธสุม การในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ผีน่องประชาชนชัดท่า ย, ยาดโยมลูกหลานอันนี้มาฉันจังหัน ท, ทั้งที่ลูกหลานกระบากนาปากตาไปหน้าคำหน่อยเอาหลวงพ่อจะให้เครืองทําฟันสักตัวหนึ่งนะหน้าไอ้ทราบข่าวประมาณสักสี่แสนนะสี่แสนหาหลวงพ่อหลับปากไว้นะแต่ว่าตามไม่จริงหลวงพ่อคยซื้อให้น้ําโสมเนื้แต่จะไปเอาของจะไปเอาของฝรั่งนะ ในออกของไทยเพราะว่าของไทยเนี่ยกัเครื่องคอมไอ อ, อ, อย่างคอมพิวเตอร์ไอเครื่องมอเตอร์นี่ยมอเตอร์ของมันเนี่ยเป็นของไทยแต่ว่าเครื่องกอฟันเน่ยเป็นของเยอรมันของนั่ น, น ห, หัวมันแต่ขนาดจะใส่ของเยอรมันหรอหัวมันแต่พวกมอตุก ม, มอเตอร์พวกเครื่องยับพวกนี่นย น่าจะใส่ของไทยอถ้าหาว่าประสงเสริมของไทยไทยมันถีใ่ใจขึ้นได้จังใดมีแต่ประมาทของไทยแต่ไปซื้อแต่ของนอกของเง่นไทยมันก็บ่มีะบัดมันบ่มีกําลังอะไรที่พิษได้จังไดบัดมันขายพอออกพวกเข้าต้องส่งเสริมของไทยนะถึกดีแดบ่ดีแดอต่อไปมันก็จะดีนะไหมมันหมองไห้หูจักจุดปกพ่องก็มาแล้ว เวลาเออ่นมาสอบ ม, มันก็สอบง่ายตัวคนไทยน้ากันนะถ้าหลวงพ่อเนี่จะส่งเสริมสินข่าไทยเนี่ยแหละว่ะเบิงเบิง่งซอยกันเบิง่งเนอะนั่นแหละหลวงพ่อก็ประกาศอให้หมอบให้ข้าเจ้าให้ข้าเจ้าคิดเอแต่ก็กาไว้ประมาสสี่แสนสี่แสนห้าบ่อยเกิดันดไปถ้ามันเกินก็ต้องมาคุยกันก่อนก่อนไป <c oughs> แต่เนี่พ่อฉันยังฮั้นแล้วหลวงพ่อก็ออกมาเลย ออกมาเนะีเนเสียกิจที่สางรงเลี้ยนหาบ้านกล้องเนี่นะแล้วก็สางรงเลี้ยนหานิคมคํามซอยแล้วก็สางรงเลียนหาตําบภอตมเศร้าอำเภอเพ่นอยู่เดียวนี่นะไปโอ้ยแม่ผมเสียไปแลหลวงพ่อนะแต่นี่ศพอยู่วัดโพอขอหลวงพ่อเออมาแวะแสดงถ้ำวัดโพธอ์เด็ด้วยเทินเออเอ้อเอา อาๆกิ๊กเอาไปหลวงพ่อก็เลยมาแหวมขึ้นเนอะคำๆเกือบหกโมงเลยพอมาหอดโอ้ยหลวงพ่อเทตก่อนยังสอยสวดไที่ถ้าเนอะวาพอหลวงพ่อยู่ไก่วะหลวงพ่อก็เลยมากเท่านผู้ว่าก็มากเมื่อมันขึ้นโอ้แขกผู้ใหญ่มากหลายม่หลวงพ่อก็ได้แสดงถ้เมันขึ้นในเทตกันหนึ่งประมาณเกือบสามสิบนาที่ขึ้กันเนี่พอเทศแล้วกัน ก็เลยมอบหนังสือสวดมนต์ในพ้นอแจกกันเดอร์นั่นล่ะพ่อกลับมาหอดวัดเมาขึ้นนี่ซีถุมเนาะพอดีลูกหลานโซซีสงน้ำได้โซสีอาบน้ำได้เทียงขึ้นพอว่พอนำมาขึ้นนี่นี่แหละกิจการที่หลวงพ่อไปเราให้ลูกให้หลานฟังเไปมิตรไปเสียได้ลูกหลานเน่ยถ้าจะว่าไปมิตรไปทำปุ๋นมันไปเอจแต่ทุปัจจัยที่ไดมากกันยังไ ได้มาได้มาเธอระหาเธอได้ซิบเอยเวลาได้มาบางที่ได้กระทิ้นมาหลวงพ่ออินได้กระทิ้นท่อหนัดทวดทิ้นทน้อ น, นี่ผาป้าท่อหนันผาป้าท่อเนี่ยโอ้ห้องห่อโพอสังกาตีของตีกองเขม า, ามันไปกรนะถ้าบ้านไปั้งบละอคมาแล้วบล้อแลออมีตะกอนใหญ่ๆทั้งวัดคันหะลวงพอบอ่บ อ, บอห้ฟังฟังนะี่ สู้เจ้าโอ้ยเงินหลวงพ่อได้มากคงจะโอโยห์โยหันเดือยว่าได้ที่แทนโว้ยมันไปจนพปรแหงเลอไปอย่างทวงพ่ อ, อให้ฟังนี่แหละมันไปตแต่ละก่อนละก่อนมันโมเมนธรรมดาเนี่ยเ <c oughs> มื่อเนี่ยที่พ่อพ่อยังพ่อแต่แนวนี้เห็นลูกหลานฟังนะกัพ่อท่านั้งมนี้นะเป็นแนวศึกษาเป็นขวรจะเรียนลูกพวกเขาก็อนุโมทนาเอสาธุการเนี่ยหลวงพ่อบอมเมนจัตุปัจจัยของหลวงพ่อเด้อ ปัจจัยของพีหนอกประชาชนคนละหมาคนละหน่อยคนละหาคนละซิฟพอมันเป็นก่อนคืิมากกันนะหลวงพ่อก็เอา <c oughs> ร่วมกันกน็ไปถวายให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อโรงพยาบาลก็ยังที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็วัดว่าศาสนาอีกนั่นแหละ <c oughs> แต่วัดของหลวงพ่อก็สั่งขึ้นกันให้ลูกหลานนะี่ คันผู้ใดอยากได้บุญนนะ่ะกำลังสิเหตุสะพานขามทั้งผีปาานะ่าซาเน่ยสะพานสะพานสองเน่ไปสะพานหนึ่งนะมันแคบไปจักน้อยท่านบอกมันมีปัญหาตัวนี้ขึ้นมากนยะมัดทางไปเลยเฮ้ามันออกไปก็เลยเตรียมสะพานสองไปประวัติเฮ้ากัใหญ่ไปหนากขันผู้ใดอยากทำบุญขามโอบะสงสารโบวเวียนไหวยตเกิดสังสัสงสะพานไปสู่ปานิพาน มารวมกันเนื้อข้าวนี้นะกันกันกันผู้ใดว่เห็นด้วยก็บผู้ตองเอามากันได้วันหนใส่กระเป๋าหิูหดชิบไว้ดีๆวันหนเออกันผู้ใดอยากได้บุญกัเอามาอหลวงพ่อที่สั่งสะพานข้าวเนี่ยแต่สามสั้นหน่อยน่อยๆเมื่อไรปะล่ะนะกะกะเอาหน่อโอ้สิบหกหอดเจ็ดแปดแสนอยู่บ่หลวงพ่อเนีะ เฮาเลโอ้ยเจ็ดแปดแสนมันมาอยู่หลักสะพันใหญ่ปานนี้น้อยเองว่าะตีมไม่รอดล่านหาเฮ้าว่าเลยไปเออป้อมม่มาณดีแหลวนะว่ะแต่หลวงพ่อกายอย่างบวค่อยพิษเนี่เกินก็บวเกิดลายตําก็บวชตามลายกันตะีตีแล้วข้าวไปแล้วโนไปบวเกิดลายแล้วก็บวชตามลายโนไปหลวงพ่อมาแจกวับประมาณนี้อันนี้เป็นพวกเฮ้าเห็ดเบิง้งเบิงกันเองเป็นสร้างเองออ แต่ว่าอยู่ยใดปะกูบ้านหน่อยอาจารย์หน่อยเขาก็เป็นสถาปนิกใหญ่ผู้หนึ่งได้ไปหายาดอย่างปะ <c oughs> หลับพอในตอนนี้นะ